การใส่บาตให้ทานนี้เป็นการเดินทางไหมเป็นการเดินทางไหมเรื่งระเสียกระเป๋าเสียกระเป๋า เงินสั้นจันะเ้า้แต่ละป่าอย่างนี้กำลังเรือกรือที่ข้อรถแต่ไม่เรื การปฏิบัติธรรมถึงจะเป็นกวแรกวันไหนได้ปฏิบัติธรรมถึงเป็นการเเช่นนั้นบคลอาจารย์มาี่า ะช่นมนุษย์นี่เองพวกเราในฐาระที่เป็นนุษเป็นนุษที่รักตัวเองหูไม่าตาไมใหูเจ้เชื่อ้าแราแบบเจ็ิรูปแบบองย่างวิธีตรงนี้ที่ไหนที่ฉนเป็ของคุณให้ที่ทำ ของคุณอย่าหลงเรื่อ l ของร o ศมีเรื่องของคนอื่นเรื่องของสิ่งใดมากกว่าการแก้ไอจุนนะใจมีมวลมากจะได้เสียใจมีมวลมากจะได้เสียถ้าต้อง สนาเนี่ยมีกมการให้ทานมีการรู้สารมีการเจริญสมาธาาิมาการให้ทานนีเป็นเป็นบุญชั้นส่ำมากในพระพุทธศาสนาแล้วสมาธิเป็นตรงนี้เหรอ อย่างนี้ก็เราคิดว่ามีบุณมากนะพระเจ้าสาสนาคิดว่ามีบุณมากที่สุดจะ ต, ต้องคุมบางตัวกับความเป็นศาสนาไม่ถูกต้องไม่พอที่จะให้ปกติที่อุทีเนี่ยมันเข้ามันน่าจะเข้ากรีดแน่ ก, กันทุกคนนั่นแหละ ถ้าออกจากเมือมนุษย์ไปนะเนี่ยกลับมาอีกเนี่ยเราบอกได้เลยรอดวเซนไม่มเจออีกแล้วอนะาจาถ้าว่าศาสตนาสเนี่ยพวกคุณม่อด้คิดนะเนี่เจอศาสตาสเนี่ยแล้พูดเสีสยก็ตราไว้นะ ว่าไม่มีศาสนาก็มีการให้ทานประจำโลกอยู่มีขิมห้าประจำโลกอยู่ทีนี้มาดูระบบสองอย่างนี้ทีนี้มีศสาสนาก็มีศาสนาปุบการให้ทานของพวกมเมรากว้างมากใช่ไหมจะให้ทานวัดไหนจะให้ทาน รูปแบบไหนสร้างโบสถ์สร้าสรสร้างเกดีนี่แทนการให้การสร้างสิ่งสำคัญทั้งนะั้นแต่ถวยายรอริยะสงฆ์ ง, าง่านพุทธเจ้าระ ก, กาเอาไว้ว่าเป็นนามุ่ของโลกก็ได้เลยโอ้ยว่า คำมั่นก็สมบูรณ์มากเดี๋ยวนี้นะแต่ทีนี้ถ้าไม่เจอศาสนาพระพุทธเจ้าก็แต่เอาไว้ว่าไม่ชินได้นะแต่4ี่ห้าหมู่บ้านจะมีคนรักษาสนาสักคนหนึ่งแทบจะไม่มีแต่ก็มีทีนี้การให้ทาน ไม่มีศาสนาก็มีประันโรคอยู่การให้ทานจะไม่มีระบบนี้แหลจะให้พี่สาวหรือให้น้องสาวหรือให้พี่ชายหรือให้พ่อให้แม่ให้เพื่อนที่รักแคๆซึ่งอนุภาพของการให้ทานก็เข้าขี่เล็กๆจะให้ทานเมื้องวะ ท, ท, ที่พวกเราทำอยู่นี้ไม่มี ถ้าไม่เจอศาสนาเนี่ยระนะัจะนะเจอาสากพวกยังจมาโมก บ, บนบนอยู่กับการให้ทานนี่ก็ไม่ใช่เลยเจ้สาสนาต้คระใช้บอกว่าอย่างไ้ให้ายามทำบุญให้ครบวงจรทากนก็ให้มีศีลก็ให้มีสตาสติก็ให้มีจะเป็นคนที่ ไม่ย <c oughs> a t จนเลยไปที่ไหนก็ดีไปหมดเดี๋ยวนี้พวกเราเป็นมนุษย์ก็เราในบ้านเราบว่าตัวเองเป็นอะไคิดแบบนี พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ใช่กครที่ไหนพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจที่จะมารับโทษเราไปผัานผ่านเพราะาเห็นวนะ้าโทเราไม่ให้เราทอนกานรับเกิดเราไม่้ังไม่าหเราเป็นมนุษย์ มนุษย์ภาษาประเภทน่งี่สักอีประเภทหนึ่งดีนี่แหละเราเรานึกแสงจันเช้าบอกหมู่คนบนสันไมก็อยู่แบนี้แหะสักประเภท น, นี้นะนนนะตอนน้ตอนน ง, งอยู่ใ น, น, นนะสถ น, น, นะสนี้ไม่ใสักอีประเภท เกิดได้ยากเหมือนกันะพอเป็นมนุษย์เป็นเกดไดยากมนกั น, น, น, นแต่ที่นี้มเาเจอศาสนาเนี่ยพเราเอาอย่างนี้ ก็ยัสงสัยความป็าสนาอยคืออะไรคืออะไรจรงนี้คืออะไรแินัยขึมาตรจก็บตรวุศึกษาความป็นานาดระดับมาวา มันเป็นสิ่งที่จะแก้ไขระบบของความเป็นชีตให้จบลงเข้าใจไหศาสนานี้เป็นิงที่จะแก้ไขความเป็นชีวให้จบลงท่านที่หลวงปู ม, มันท่านก็มีคนทางชีวิตของท่านที่เกิดเดินไปเหมือนเรานี่น แต่ท่านหยุดผลทางเส้นนั้นไว้ ท, ทันทีท่านคลิกตัวเข้าสู่ระบบการแกร้ไขสุดท้ายจบลงตรุงนี้จบลงกับคำสอนของพระพุทธเจแต่พวกเรามาถึงขนาดนี้ผู้บังคาบการประเทศขนาดนี้ พ, พวกอย่างผมนี่ก็โปล่อยตัวเดือตาม เป็นทางที่จะพาไปเกิดไปะจายอยู่ในหลงปูมั่นได้พกคนแหตุตึมเข้าไปลูกจิษรูปลปูมั่นเข้าสู่ระบบการแก้ไขมีกี่คนท่านไปดูเลยเดี๋ยวนี้ครับพว ก, พวกท่านเหล่านั้นก็ประเทศก็พูดก็สัง่งก็สอนมาแนะนํา พวกเราเพียงปล่อยตัวให้อยู่ตามธรรมชาติธรรมชาตินี่คือเส้นทางระบบเดิมๆที่จะไปเราอยากบอกพวกคุณมาก เจะนะถ้าสงสารตัวเองหยุดเจะนะถ้ารักตัวเองหยุดอะไรหยุดเรื่องของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าคุณไม่หยุดตรงนี้คุณจะไม่เห็นตัวเองเลยคนที่ไม่เห็นตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าทิ้งแม่วาดก็เปหมายมั่น ภพชาติของเข า, าเป็นมนุษย์เขาก็ไม่แตกต่างอะไรกับสัตว์เลยไม่ได้ดางดาไม่ได้ด่างนะเราคือเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่สูงสูง ก็มีเรารเก็บเอาสารทังนั้นสา ม, มาสิเอ็ดพูนเนเทพภูตที่รดาเปรตีวิตรงมอยู่ในสัตัมนุษพวกนั้นไม่มีมีเรากับสัเอกสาเนี่ยคำว่ า, มม า, าเรื่องของคนอื่นสิ่งอื่นสัตอื่นเขาก็มีเทวดาต้องมี เท่าไรก็มีอินโคงก็มีแต่เขาอยู่ในระบบของความเป็นคงของไม่ได้ใจตรงนี้แต่ถามว่าถ้ายังไม่ได้ถอนถอนคุณจะไปอยู่ยินอยู่โคงที่ไหนก็ไปแล้วตัวนี้ยังผิดแนบอยู่ตอาที่จะออกผลได้ทุกเวลาทีเนี้รเราจะปล่อยตัว ให้อยู่กับความเป็นธรรมชาติอยปล่อยตัวให้อยู่กับระบบของความเป็นกรรมเหรอมีการเป็นของของตนนั้นมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติตามมีการ เ, เป็นที่พึ่งอารัมงจรของกรนมเรามาอยาคิดว่าเรามาเปล่าๆไม่ใช่ มองจอของกรรมของใครของมันทุกคนอยู่ในระบบทารัะที่กำลังใช้ตรรมท่านั้นพวกคุณยังถือว่าสุขสบายอยู่เหรอไม่ใช่นะแล้วก็ขอบอกอีกอย่างหนึ่งว่าการเกิดการตายของพวกเราแม้แต่ชาติปัจจุบันเกิดเป็นมนมุษย์ถ้าคุณมุ่งวังว่าสิ่งใดสิ่งจะมีความสุขสำหรับคุณแล้วเนะี่ยคุณคิดผิดได้หรอ แต่มาเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นความสุขเนี่ยคิดดีแล้วล่ไม่มีพระพูดไเจ้าแปลเอาไว้ว่าเกิดเป็ น, ออปปนมนุษย์ถึงจะเต็มไปด้วยวัตถุ ส, สิ่งของข้าวของเงินทองวันสุดท้ายเสียงตัวเลยบันที่จะไม่มีอะไรคือบันนะั้ หิบไปอะไม่ได้สัอย่างไม่ว่าบัตรสินทรัไม่ว่าบุคคลที่เราเหมายมัน่นมาเป็นของเราจักมอือฆากันบันนั้นทีนี้ออกจากเมืองมนุษย์สมมว่าเกษอิน เ, นเป็นปรุงแต่เอาอะไ ร, ระมวันจะไปเ้าอะไร หมอายุไขจากินจกโครนก็ลงมาลงเปล่าอนี้สมมติเราเป็นเทวดาหมดอายุไขก็มาลงเปาถ้านีกรรมไม่ดียังฝังเขา็จะสูญรงไปที่นะี่งรนรราาจะความเป็นเทวดาเป็นยิงเป็นโคลถ้าจะ อ, อยู่บนโราการ จะได้ไหมคระบมือมนุษย์ชาติหนึง่งเป็นธรรดาความชั่วรอยอยู่ขอโทษตีไม่ได้ครับลงข้างล่างสูงสูงต่ำต่ำรุ่มลุ้มรดนรอยหาที่ตายใจไม่ได้เพราะฉะนั้นสรุปแล้วการเรียนไายตายเกือ ไม่ได้ไปเอาอะไรสักอย่างนะไม่ได้ครัไม่ได้ไปเอาอะไรสักอย่างอยากคิดว่าไปเอามีหน้าที่เกิดตายเกิดตายนี่ใช้ใช่เฉพาะมนุษย์ออกจากมมนุษย์ไปสมมติว่าบุญพอที่จ ะ, จะได้เกิเดเป็นเทวดาไม่ได้ไปเข้าท้องใครเลย เปียนชุดเทวสตานขึ้นเลยเปลี่ยนชุดเลยไม่ได้เกิดเป็นเด็กอย่างนี้นี้หัดแสดงธรรมะให้เห็นที่จัดจัดจัอันที่สุดคือการเกิดแล้วเกศแล้วเกิดแล้วตายประกอบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะที่ไม่มีคําเทศบรรยายก็คือเกิดเกศเก็บตาย ให้เข้าไปยุ่มรปทุกเทนั้นหน้าที่ของเขาเกิดแล้วเขาต้องไปทางนี้คุณจะบเบรคเขียนให้เขาไม่แก่ไม่เก็ยไ์ยไม่ใจเย่อหรือว่าสิ่งพวกนี้ใช่จะเลี้ยงดูปูเสือเขาดีันานดะไหนไม่ให้เราทการทำงานให้เขานอนเลื่องการอาหารระดับพักตาการ หลัวๆจนถึงวันใจยเขาแก่ไหมเขาไม่ฟังใครทั้งนั้นเขาไม่ฟังใครทั้งนั้นคุณจะพอใจหรือไม่พอใจเขาไม่รู้นี่คือผลทางเดินของร่างกายจุดจบก็คือลงไม่เข้าไม่ออกเมื่อลงไม่เข้าไม่ออกแล้วจิตปิญญาณซิ้นเป็นตัวเราจริงๆนี้ก็ดูไม่ได้อยู่ไม่ได้เขาเพิ่งจะไปแสดงบทบาท พชาต่อไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามาหาพวกเราคำสอนอพระพุทธเจ้าเร็สิ่งที่มีคุณค่ามีราคามากที่สุดของรีที่มีคุณค่ามากที่สุดคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะสอนให้เราออกโลกวัฏฏะได้แต่พวกเราเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคุณ จุดหุดเรื่องของตัวเองหยุดเรื่องของสิ่งอื่นพออยู่พอกินพอเพียรเรื่องของคนอื่นก็เฉพาะรับผิดชอบส่วนอื่นๆไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์จะไม่พอยังกลับกลายมาเป็นโทษการดี ถ้าคุณต้องการสมาธิถ้าคุณต้องการความราบเรื่อยในการเป็นในกา ร, การดําเนินชีวิตของคุณถ้าคุณอย่างนันอย่างนี้กับตรง น, น, นั้นตรงนี้อย่าี้โอ้นั่นรู้ไหมว่าเสี่ยงหนาหลุมพราทั้ ง, งนั้นอนั้น่ะต่อการเดินต่อพ้นทางเดินของชีวิตการจะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเสี่ยเป็นหนามเล็กๆน้อยมาที่มมาจ้ำ อย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนีเนี่นเพราะฉะนั้นตั้งใจนิเธอเรามา่าเจอครูบาอาจารย์ระดับเพชรน้ำหนึ่งพน้นหนึ่ ง, งน้ำหนึ่งมาตั้งใจกับตัวเองจิดเดการปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติตนถ้าไม่รู้จักตนในหลักของพระพุทธศาสนา มันก็จะเกิดไปนะหลวงปู่ว่าเมื่อท่านมาเจอศาสนาท่านหยุดเลยนะท่าหมุนตัวกลับเลยเราจะเข้าสู่ระบบของการแก้ไขจุดๆของการเย็นวยาการเกิดไม่มีแต่เข้าสู่กร ะ, ระบบของ การแก้ไขโดยใช้คาสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องสุดท้ายการจบลงที่จะพวกเราไม่ช่อว่ามความรู้ว่ที่จะคิดได้ไหมอาจารย์ตั้งอย่างนี้เลย เราเกขึ้นอะอายุของพวกเรามาขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากตรงั้านนะไมา่เอาเลยเย็ยนี้เลยในวันนี้เองถ้าใจปาุ๊บกคือผ่านไปเอแต่จจเจอล้วขที่ว่าผ่านอยู่ ไม่ได้หิบยกเข้าสู่การแก้ไขพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นสิ่งที่จะชักนำให้จิตทุกดวงเข้าไปรู้สภาวะของควาเป็นจริงขอบคุณทใานไหม ศาสนาเป็นเครื่องากนำให้ทุกเข้าสี่โลกของความปนจริงัดนี้ที่เรารอคอยเรเรารอคอยว่เขียนพุทโธให้ใจได้ใจดวงแค่เราเ เจ้าอกถ้าเป็นรถก็เราเองเป็นผู้ขนบตั้งันแรกที่ไม่ขี่งงมากซาบีซาตาซาโบรถสไม่รู้ยั <c oughs> คนชนไปทัวเลยทุกใบเหมือนวัเหมือนไปปคมหลบก็ชนได้ไปเลยคมหลบก็ชนได้ไปนะเราไปเราไปคนขับในเรยนี่นะคุณภาพของตามเป็นโชปเบอร์ไปดูออกไหมเด็กคนไปชนเลื่องขคนนั้นเลย มีอะไรไปเอาเรืองของเขาไกินสามารมีประโยชน์มาหมมีแต่ทั้งหมดเรายังงงอชู่เฟอร์ที่จะมีคุณภาพท่าสูงองค์พระสารนมาที่ทีวีขั้นมาให้คุณภาพของความเป็นโชเฟอร์ ให้กับเคลื่อนให้ดีห้ามไปชนวัดถุสิ่งของห้ามไปชนเรื่องของคนนั้นคนนี้แต่พวกเราเราอยากจะบอกพวกคุณว่าอาหารใจของุ้ตรชนคือการนินงทาใช่ไหมถ้าได้จกักลุ่มนินทาน เรื่องของคนอื requests, e ah <S <S ่นมากก่นังสมาธิฉันก็เอาแปนผู้หญิงคนไอนสอนอารมนี้ปฏิบัติให้ตัวเองพ้นจากตรงไปเป็นผู้หญิงที่น่าบูทิสุดจบเจกจ่เจกสุิ่กันอยู่ทุกแง่ทุกมุม ว่าไม่ได้เาไ่เชืนอได้ได้ทั้งนั้นบอกว่าเอาทิ้งไปที่ที่เขาพูดกจะทิตย์มาอมกีเนี่ยที่ที่เหมือนกา มันเหมือนเบิดเวลามันเบิดเวลาตัวนี้มันต้องใช่เหตุการณ์สาสนาต่างๆสมมุติว่าเหตุการณ์มันครบถ้วนเมื่อไหร่อะมันแล้วเบิดรุ่มออกมาเลยที่สี่ตัวนี้เหตุการณ์ศาสนการพอดีแล้วเบิดปุ๊บมาเลยมันเบิดออกมาจากทั้งขั้าทั้งนั้นถ้าพวกคุณสงสารตัวเอง ให้ตั้งใจทำหน้ า, ญญาเข้าสู่แล้วบุกกายแก่ใจเสียนะธรรมะก็ยังเต็มไปด้วยรูปทรรเสียงธรรกลิ่นธรรรสทรรกึดก้อยู่ในโลกอ น, นี้ซ้ำพระพุทธจ้ายังบอกว่าไม่เลือกเทศเลือกใบไม่เลือกชาติชั้นวันนะนั่งก็คิดก็คทีก็ได้หรือจะไปเรื่องวัดโดยก็ได้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 เทวดาเขาถามกันจ อ, อยูๆแล้ ว, ว่ามนุษย์นำไมของมราปฏิบัติธรรมกันเรานี่อยากจะอยากจะตายจากเทวดาอยากไปเกิดเป็นมนุษย์แย่นี้จะนิหงสมาธิภาวนาใี้เป็นพระอรสันไปเลยแต่เ้าก็ไม่ตายกันกลับมาไม่ได้พวกที่ยังไม่ตายแต่เป็นมนุษย์อยู่ ดานไม่เอาเน่้หญิงทานนาี้พระดีปุชิกาเมย์นางพรีปุชิกาเนี่ยเป็นภรรยาของพระอิท์อยู่บนสวงสวรรนีน่วันสาวสมบุคุมบันพุกภรรยาของพระ อ, อิท์ชักชวนกันมากจะไป เก็บออกมาพอจวกันได้ที่แล้วก็พากันไปไปเหนสวนหนอกนานปฏิกูชิกานุดันหมดอนุขัรหมดอัในนี้ใครจะโตตัวมันก็เลยโยมมันเกิดจริงเมือโออตขึ้นมาก็จำความได้ว่า อย่ามอค่ยอยู่บนสูงเว่านั้นต้องเกิดอะไรมก็เด็ดตั้งใจตั้ใจสร้างคุณงามความดีโตขึ้นมาคัหน่อยก็เข้าเป็นคนุปัุนประจัยพระสงฆ์องค์นั้นเมื่อเช้าก็มีอนบารข้าว ไปก็มีน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำฝานะถวายทานถวายอานเสร็จแครังหนึ่ทพิธีจิตทุกครั้งปรสสาวทุกพระพเจ้าได้ใหการันนี้ข้าพเจ้าตายไปกขอให้ไปเกิดสวสวรรคันที่สามในข้าพรเจออ้าดูเถิด ทำอะไรทำไปอุปถัมภ์พเนเนี่ยพระเนเหานิกไปาเนี่ยแม่เลยนะแม่โอ้ยแม่แม่ปถคนานอาอทีนี้อายุให้ได้ปัอา ขึ้นไปเลยขึ้นไปสวรชั้นสามีอยู่เลยขึ้นไปเท่นั้นยังเราคุยกันอยู่ยังไม่ได้เก็บดอกไม้เลยยัไม่เก็บดอกไม้ตั้งสิบปีของมนุลยก็เห็นขึ้นไปเขาก็เขาสังากันไหนเข้กชี้นกัไหนเหรอ ให้ปฏิบัติกาก็อธิบาย้ฟังว่ า, ากี้ น, นี่อ่ะแค่นีหมดอายุไข่พอลงจากนี้ไปก็ถจะเป็นรักเป็นรักก็ต้อใั น, ในทานอธิฐานจนว่าให้มันเกิตรงนี้มันก็ได้สม่าทีนีพ ที่นั่งคุยกั น, นอยู่แล้วก็แห่มาสามนานว่าเป็นยางไรเหรอเมืองมนุษย์เดี๋ยวนี้ก็เห็นกันว่าทีโอที น, นี้มีมนุ์พระมาตื่นมาเทมาทาบุญเขาประพฤปฏิบัติธรรมบ้างไหมเขาเห็นความสะาดสำคัญของศา ส, ะสะนาบ้างไหม นางปฏิภการไม่ใส่เลยโอ้แต่ดสะพันเก น, นุษย้คนยา น, นี้มันก็ได้โทรศัพทอันยิ่งมก็รีบดูดเป็นวัน น, นอยู่หน้าจอโทรศัพท์มันไม่ยอมพูดโทรกันเลยนางปฏิพวกนั้นก็อบเจ็บทางที่มาโ อ, โอ้ทำไมเขาเป็นอย่างนั้น ของมนโุษย์เจอศาสนาแล้วก็คือว่าเป็นมหาบุญมหาบุญสมทำให้เขาทำตัวเป็นก้าว ป, ป่าของศาสนาเนาะเขาวา่านะทำไมเขาไม่มออตั้งปกติใจศึกษาปฏิบัติธรรมโทรศัพทมันเอาใจขึ้นสวรรค์ไม่ได้หรอกโทรศมันเอาใขึ้นพริญญาไม่ได้หรอก ถ้าคิดไม่ดีกับโทรราสตร์ก็ทำกับส่งตัวเองลองมาโลกทำไมพุทโธเขาเขาก็ไปเอาเขาจะเอาอะไรกันระมุทมันมีพบเดียวเท่าไหร่หละที่จะทำพิสติบัติทำได้ออกมาอยู่อย่างพวกเรานี้ก็ไม่มีร่างกายอยากที่จะถิงสถิตอยู่พอที่จะเล่าพุทโธพอที่จะนั่นมาทิ ก่อจะขาดเกล้าจิตใจอนไ้ให้ใสสะอาดไปได้ทำไมเขาไม่อู้เพราะเราเป็นอะไรจริงๆหรียว่าเรืองปฏิปุสิตาใสร้ายของเราไม่ใส่เนาะจะทำยังไง เราบอกพวกคุณนะว่าจิตใจนี่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ชัดเจนกับฐานที่ตั้งก็ขอให้เขาตามตัวของเราเหรือเงาใช้ได้ประสาทเรื่องอื่นเรื่องของคนอื่นถ้าไม่จังเปนถ้าไม่ใช่อยู่รับขอบเขต ในการที่จะพูดที่จะรู้ที่จะคุยนอกไปกว่านั้นเขาเป็นอย่างนี้มัน น, นัเสียนะเพราะคุณไม่คิดจะแก้ไขกันตรงนี้หรือจะมาคิพรา ะ, ะทีจะไปเกิดกับสังคมไม่มีแล้วไม่เกีดยวกับม น, นุษย์เ สมาธิจะไปเกิดกับที่ลุมในเมืองมนุษย์ก็ไม่มีเกิดได้ที่จิตใจของมนุษย์ที่เยอะว่าเรามีจิตใจทำไมไม่เราทำเป็นสมาธิเป็นั้นเพราะเราไม่ได้ไม่ได้นึกถึงมันที่เราออกจากการเมนุษย์รอา คนไกล้จะตายเขาไม่ได้เขาไม่ต้องการเงินเลยเขาต้องการบุญอิจเนี่เขาไม่เคยกินไม่เคยกินอะไรแต่ถ้า ร, รัษารเขาสุาาขชันเขจะมีพลังมากเป็นที่พึ่งอาศยัยอันปฏะเสธเลยกิจไม่เคยกินอะไรในโลก ตายไปเขามีามก๋วยเตี๋ยวไหมจิตปันเป็นธาตรู้ธาตุหนึ่งเท่านั้นซึ้งเขาไม่ได้กินอะไรแต่ถ้าบ่มพอให้ถูกกับของศาสนาเขาจะมีพลังกิตระบบหนึ่งเข้าสู่โลกของความเป็นจริงแม้บางวัตถุของเขาก็ยังไม่ได้กินอะไรเลย พวกคนหิวข้าวอากทางกูวเดี๋ยวพ่อขับรถไปถึ ง, งน้ำกูเดเตียวแล้ทางพูวเดียวหมดไปจานหนึ่งใครได้ประโยชน์ไม่ใช่จิตกินนะจิตเป็นคนท่คิดเฉยๆอยากกินก๋วเดี๋ยวอยากทางกูวเดี๋ยวไปถึงแําลังาทานอยู่นั่นแหละ เพี้ยวหวานมันเค็นจิตเป็นผู้รู้พอท่านจบลงไปแล้วประโยชน์ของเป็นเรื่องของกายกายนี่เป็เรื่องอะไรกันเขาตายออกจากสมมุติว่าเราตายแล้วจิตปัญญาตัวนี้ออกไปเขาก็ไม่ได้จิตเข้าเที่ยงข้าวเช้าข้าวยนที่ไหน แรงตัดกันให้เขาเป็นไปเพราะคนั้นวนนี้คือบาปกับบุญเขาเข้าใจไหมบาปกับบุญตัดกันให้เขาไปปกติเขาเขาไม่เคยกินอะไร่เขาเป็นอย่านี้มานานเสียนานะเสีนาเรามารู้เราเพิ่งมารู้ว่าวันนี้เนี่คุณคือเราแต่เขาไม่รู้รู้รู้ตัวของเขาเลยว่าเขาคือเรา จะคอยทำให้ใช้สะอาบริสุทธิ์ขึ้นแก่รู้ว่าเขาเป็นเราเขาไม่คิดคิดอะไรเลยเขาเป็นธาตุเดี๋ยวเป็นโซมของเราเดี๋ยวนี้เราเป็นมนุษย์ถ้าบนไม่พอออกจากเมืมนุษย์ไปจะเป็นหมานี่เราพอใจไหมสงสัยจะไม่พอใจแต่ก็ไม่มีส่วนที่จะมาแก้ไขได้รนะ การแก้ไขคือสนองให้ตามบาระของเขาไปเขาก็จะเปลี่ยนของเขาเองแต่กว่าจะมามือมนุษย์อีกเที่ยวรู้สึกก็ใช้เวลานาะนมาอีกไม่เจอแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นการเรียนว่าตายเกิดไม่ใช่จะไปเอาสิงใดสิงมีหน้าที่ไปถึงจะตายที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจเ้าถึงมาสงสารพวกเราตรงนี้ว่านี้ หนีเถอะพระสเป็นคำสอนไว้ว่าเอโกโมโัโกมีอยู่ันทางเดียวเป็นนิยายนิยธรรมที่เอามาบรรยายตรงนั้นก็มาพูดตรงนี้ก็มาพูดนั่นคือการชี้ทางให้พวกเราพอเข้าใจไหมระบบของการเรีนว่าใจคือ ตายวันน so so the so so ี so ้เกิดพรุนี้ท้องซีเลนหมดพ่อแม่เปลี่นร่างกายนี้บาปบุญเขาจะมาแต่งเป็นสุขวยไปเไม่เหมือนเดิมเลยแล้วใช้บาปใหนบุญขนาดไหนมาตกแต่งร่างกายได้มาขนาดนี้แล้วพ่อข้าชาติแรกก็มีบาปบุญขนาดไหจัดแต่งให้ตัวเองมาเทศในเมืองมนุษย์อีกที เขาเศร้า ม, มากเลยว่ามีสิ่งที่จะทำให้จบจบไปเลยถ้าคนไหนคิดว่าจะไปต่อแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายเพราะเขาเพร้อมทุกอยาก่างจิตเขาไม่มีเพลียไม่มีวัครับเขาไม่เคยตายเขาไม่ขึ้นอยู่กับชาติระบุนไหนเท่นั้นเขามีมีชื่อเขาไม่มีตระกูล เขเป็นนักเรียนว่าตายเกิดโดยธรรมชาติแต่ปาครั้อยู่มนโลกไม่ลงมาเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะอายุขัยมีเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ไม่อยากจะ น, นี้ไปเกิดชาติไหนอีกเลยอยากอยู่นี้ประจำก็ไม่ได้ จะตั้งสติแล้วเข้าไปแยกเขาไม่ให้เสกอารมณ์เพื่อที่จะเป็นสมาธิเท่านั้นเดี๋ยวนี้เขาช่ตัวเองไม่ได้มีหน้าที่เสกอารมณ์อย่างเดียวนั่งดูเธอว่มัมมชื่อตื่นขึ้นมารู้ตัวยังไม่ได้แปลงันเลยไ ป, ไปรอบประเทศไทยรอบแล้วจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไง ช่วยตัวเองไม่ได้น้ำมาคำหิวไปซันดาเก็ติดมาอย่างนี้หลายกลับหลายการแล้วเขาติดตัวอย่างนี้ตลอดเราต้องมองว่าผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติตนเข้าสู่พระนิพพานนี้ยังยังรู้จุดจบอยู่นะผู้ที่จะปล่อยให้ตัวเองเป็นนักเบื่อหน่ า, ายนี่ไม่มีจุดจบ ฝ น, นขนา้านล่างตึงหน่อยครครตายใจนะเหือกับชื่อตระกูลที่เขาตั้งให้น่มันไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นตัวห่อยที่ตั้งเป็นมาตัชื่อนะี ทุ่มเที่นี้ข้าใจหมีใครอาไรเาไม่เปนชายเป็นหญิงนะจิตรงนี้เป็นชายเป็นหญิงอย่นีคือบุญจากอดีตชาติบุญาอดีตชาติไม่รู้ว่าทำบุญขนาดไหนได้เป็นทุย่างทำบุญขนาดนได้เป็ แต่เดี๋วนั้นมืถึงจุดนี้เราก็ไม่ใช่ว่าไม่มอยากให้ภคุณให้การแต่ก็ให้การเดินลงไปไม่ถึงก็ได้นซ้ายแต่เราอยากให้ยืนอยู่จุดที่มันเป็นยอดเห่งบุตรให้ตัวนี้รอบๆลง ยังเหมืนเดิมไหนๆพระพุทธเจ้าก็องค์มั่นท่าไม่ได้เจอพระพุทธเจ้านเชื่อขุนศรีเหมือนผู้ใดอย่างขุนศรน่าจะติตัดไปเลอรองค์ไหนเราเราบอกเพื่ออะไรแม่ขุนศรีขุนพุ่มเนี่ ก็ทำการควบคุมพยายามมองตัวเองให้เห็นโลกตัวรู้ก็ใยายามมองเห็นมองตัวเองนเห็นว่าทางออกก็เป็นสิ่งทีที่สุดทําการทํางานด้วยกันอยู่อย่างเนี้ที่สี่มันก็เป็นปกติธรรมดาใช่มากาก็โทษมากไม่ใช้ก็ไม่มีโทษป้งทิ้งเป็นสิ่งที่สบายใจเหลือเกน พวเราเข่ยำกันไม่ได้นี่ทีนี้มันมี่อะไรนะมีาที่สราความชั่วให้ความเป็นชีวิตเท่านั้นหรือเปล่ามีน้าที่ส้เค่องมือที่จะให้เราลงในโกอย่เดียวอาจารย์หลวง อาจารย์จะให้ท่านสมาธิลูกพุ่งขนาดนี้ไม่มีภาษาคุยกันเลยเหรอโอ้โอาจารย์จะตอบถามหม น, น่อยครับคือที่จริงคนเขาพูดด้วยเท่ามาว่าก า, ารเอาประดูกคนตายเอาไว้ที่บ้านอาจารย์ ดวงจิตดวงวิญญาณก็ยังอยู่กับกระดูกมันจะกะว่าสาิแล้วนชายแย ก, แกสิกระดูกซึ่งเป็นธาตสีก็แล้วก็ไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเหมือน่อกีก้เขาบอกว่าทานี้กระดูกอยู่ต้องไม่ข้าวไมน้ำเลยครับไม่รู้ว่าดวงจิตดวงวิญญาณนั้นต้อไปตรงแล้วหรืวเายังอยู่ตรงน่น ถ้ากระลูกมีอำนาจกรรมมันก็ไม่มีอำนาจสักทีพระพุทธเจ้าบอกากรรมไม่มีอำนาจสูงกว่าใดเลยนัไม่มีแต่เกลได้แล้วไดตัดไถ้าสมเข้าใจกระดกตรงนี้ว่าจินดาสิงอยู่ตรงนี้กรรมก็หดรค เกรรมมันเป็นคนสั่งที่จะให้เป็นคือตรงนั้นตรงนี้แ้่มันจิตอยู่ในกระดูกจริงรๆมันก็ง่ า, งายาเนาะใส่ห่อไปไปว้เขาผสมเม เชื่อแับเชื่อคำเรียกระดูกนขังใครไม่ได้มันหังใครไม่ได้กระดูกมันก็เหมือนเศษหินเศษทายธรรมดาเนี่ย <c oughs> สิ่งที่เป็นเรื่องแาบไปส่วนหนึ่งก็คือวงพระอริยะแค่นั้นแหละพระพุทธเจ้า ทันเปนะ็นสนะ่วนของวกเเป็นาเนี่ยันชนี่จิตมันยยไม่ได้อยู่น้นหอจิตมันมีนี่ไปตามกรรมนะอยที่เราอธิบายเมื่อกี้ตายแล้วาบานเาา น, น, าานนะแต่ว่าสิงบ้า น, นั้นก็ยังไม่ได้เลยกรร ม, มาันลากไป แล้วจะเป็นไงกูไม่ยอมไปเกิดไปตายที่ไหนลกูจะไปจิ๋งสติดอยู่บ้านหกูเคยสั้งไว้เนี่ยแหะเอาเองดูสิไม่ได้ไม่ได้กรรมเนใญ่ตังแตยังไม่ตายนยังลากไปลากมาอยู่เนี่ย แต่ทันมาวก็เกิอดอยู่อุดรนะมันละมนอยู่ลริ่างเมื่ขนาใจนี้ต้องเชื่อตรงนี้จะหลุดไม่มีอำนาจท่านที่นี่อยู่แล้วาก็เอาไปลอต่อแล้ที่เก็บไว้ที่พ่อเกบไว้ การแล้วเนื่องถึมันไม่ใช่อันไม่ไม่ได้มาใช้อันของความเป็นจรูดนะพระพุทีเจ้าว่าเป็นมันเป็นเรื่องของใจพวกคุณเข้าใจไหมแต่ดูยูบ้านนะเจ้เข้าไปทุกวันทุกวันก็ไม่ได้ริ้มบางทีอาแปะคนมือมีสารอตมีสารโต ถ้าตะนนี้เกิดนสิผีนะอดีตอยู่ไม่นานเข้าปจับด้วยภาีฉแล้วคนเขาไปเอาภาษาเขาได้เพราเขาเจตื่นเช้าาก็ให้คนใช้เอาติดตาชเอาติไปเอาไป วันเอาไปได้สองวันวันที่สามนี่ก็้สึว่าผลงลฝนลงยงประชาชัก็ต้องเลินข้ามรองน้ำไปนี้แต่เพราี่ฝนลงน้ำหรือลงมวลที่ไปไมนะ่ก็เงินนัางดูข้างท า, างน่งถือเป็นโจทนั้งมนานพรูงมาีแทบว่า Yeah. ถ้าจะข้ามไปไม่ได้นะประชาชา์ใ่กินตัวนี้ถวาไวต้องรู้นะไหวแค่ดูมาสักคราเลยอกจากคืนมาแป็ฝัง <c oughs> <c oughs> แป็ฝันวันที่หนึ่งาร ว, ว่าพระราชาตายไปแล้ววันที่หนึ่งเขาไม่กินอะไร วันที่สองก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลยวที่สามไมเออเห็นิดตเลยอาูอะไรหรือาไปก็หมดเรียบคนใช้มาคุณเอติดไปไหนวันที่กับวันที่งเอาิไปช้ที่ไหนรงบอกไม่ไเอาช้ ก็ออกไปไปปัสาวนั่นแหละันทีน่รไปว่ยน้ำวนที่สองเราไปว่ายน้ำวันทมมึงลงไปไหนอที่ส่ไปีฝนมันงน่ก็เไม่ได้ข้าวน้ำไปไม่ได้ก็เลยอใส่บัุดงมา คิดดูวันที่หน่งมันเอาไปปัสสาวะไม่ได้กินวันที่สมันเอาไปปัสสาวะก็ไม่ได้กินวันที่สามนี่มันใส่บาตรพระุทโธไม่กินเลยทีนี้ครับผมกังเกื่อกับตัวหน่อตรงนี้ว่าถ้าหมายให้สล้าที่ะใเอาไปวาไว้ปัสสานี่เลยเหรอ เพื่อจะทาอุปดัมปะาพระสงขึ้นมาพวกเราก็เหมือนกันกระดูดะารากระดูมันจะมีอะไรอื้อมันจะมีอะไรกลางทุกวันถ้าไม่ได้นิจ่วนวุ่นชวนกุศลอุทิศให้ไม่มีมีความหมายอะไรเลย เนี่ยนั่งทำเพศทำชั้นสบายนาหารได้หรือ ว, ว่าไปทำดีที่ใดที่หนึ่งนึกถึงทาง่านเนี่ยถึงไม่ได้อยู่กับการกราบการไห้เลยนะไม่ได้อยู่กับว่าอยู่บ้านอยู่ไหนเลยนะของพ่อเราได้เก็บเศษทุกเรืรนะ่องขุดดุมโดนนะขวางตรนั้นเลย ขาจะไปเอที่ไหนล่ะแต่งต้องเราข้าขามขามไปตรงอาฉันความเชื่อตรกไปคิดไปได้อะี นี่ไร้างครัอาจะมีอะไรสงสัยด้วยเฉพาะลำพูดวันนี้อาจารย์ต้องมีติดต่อนะครับไปบรรยากาารประชุมการประชุมโตเม่อวานนี้อนี้เราเกินเกินถึงคาที่จะคุยกันพิเศษนะเป็นธรรมะประกอบไปด้วยมรนมะเล่นๆไม่ได้คุยกันวันนี้โอกาสหน้าถ้ามาก็ต้องมาจัดไม่ต้องทางเที่ยงกัน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 พวกคุณไม่เสียดายแล้และเสียดายการเป็นมนุษย์ของพวกคุณนะกำลังจะหมดลงแล้วลเราเสียดายโอกาสที่ได้เป็นมนุษย์แล้วเสียดายคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังจะผ่านไปแล้ว การที่เราเกิดน้อยลงไปนที่นยังไงที่ทำให้เราสามารถทำปฏิบัติทานจิตธรรมนั้นการงานได้และยังโน้ต่อไปถึงกาทำอันตรธาได้โดยที่ไม่เสียแรงแน่นอนนะวาเราปฏิบัติดูกับจิตวิบสติแต่ใจมันคือทาความรู mata, ้สึกไม่คิดเรื่องอะไรเลยรู้เฉพาะตัว ก็คนไม่กเลยทาเข้าอยู่อะไรอร่อยจะตา ย, ยามันยังไปคิดอีสาวคนอื่นได้ขับรถเินไปมได้แ่นนขับรถดูกับตัวเองเลยนะไม่คิดกรื่องของลไมไม่คิดตัวเองอะ่ะทำไมไม่อยู่กับตัวเองทาไมไม่นินทาตัวเองทาไมไม่คิด เรื่อของตัวเองซึ่งมันเป็นผลทางของพระนิานโดยตรงพวกมันไม่ฝืนเขาเป็นหน้าที่ของเขาอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเขาช่วยตัวเองไม่ได้เลยจิตตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้ต้องผู้เป็นเจ้าของต้องตั้งส ต, ติแล้วกเข้าไปช่วยจิตตรงเนี้ยเขกากำลังหยุดตกอยู่ในสนามของของารมณ เาหนี้ไม่ได้ก่ออกไม่ได้หยุดไม่ได้ด้วยตั้งสติไะไปหยุดหยุดการเสพอารมณ์แล้วเข้อยู่กับตัวเองนี่ยคือหนทางก็ะี่พ่านนี่คือการก้าวเดินเขากินอะไรไม่เป็นแต่เขาไม่มีพลังถ้าเขามีพลังพร้อมกับการขัดเกลาให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ต่อไปก็ะีิพานก็คือคนนี้อ่ะ เราหมดแล้วนหนึ่งเค่ขหน่เนียพวกคุณาสุาเลยพวกคุณยังองไม่เห็นช่องทาเลยพวกคุณยังไม่รู้นะครับ อ, องความเป็นบุญเลยว่าอะไรคืออะไรพกคุณยังงไม่เห็นตัวเองเลยเอาชลวงปูมั่นสุดที่จะชัดเจนแล้วว่านะสุดที่จะชัดเจน หนทางที่ท่านคิดจะเตินชีวิตเหมือนพวกเราก็ยังมีอยู่นะแต่ท่านหยุดพลิกตัวออกจากเส้นทางตัวนั้นเข้าสู่ระบบการแก้ไขสุดท้ายจบผลทางของชีวิตของท่านไปเกิดไปตายก็เลยหมดครับไปเลยชัดมากอันนี้ชมากเดี๋ยวนี้พวกเราเอาสารสลายป้องไว้จะเดินต่อไม่แก้ แต่ต้องการจุดจบเเรื่องอะไรเกิดขึ้นทีนีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมันเป็นลักษณะ น, น, นี้ต้องการจุดจบแต่ไม่ยอมพลิกตัวเองเข้าสู่ระบบการแก้ไขปล่อยให้ตัวเองและพะัฒนาจิตใจได้อยู่ตามระบบของความเป็นธรรมชาติ ภาษาที่ทัสมัยสู้วันนี้ก็ดึนเดึนลงเจอแต่เป็นหนึ่งเนี้เดินเดินทานนิานมีเครื่องที่จะขอจะขอเขยนต้องสูงเพระ น, นิ่างนี้เเราไม่ได้สูรบบกการแก้ไขปราชาธิปไตยกระผมก็เดึนเดิอต่อไป ถ้าคุณต้องการแก้ไขก็คือเข้ามาถ้าคุณยังชิตอยู่ก็อย่าได้หลับเลยว่าคุณเกิดขึ้นด้วยความเป็นสมาติเดีย๋ยวนี้คุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรคุณมาฟังเทศมาทำทานให้คุณต้องการอะไ ร, ทท ต, ร, ะไรต้องการบุญต้องการบุญนก็ได้ไปแล้วหรอ คุณจะทำทานให้หมดตัวในชาตินี้เดี๋ยวนี้บุญอันนั้นก็ช่วยคุณไปพระนิพพานไมนะ่ได้เพราะ บ, บุญเกิดจากการให้ทานไม่เคยส่งผลให้ใครเข้าสู่พระนิพพานเลย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 เก <c ười> ี่ยวกับบุญเลยเม่อใส่ตัวบ้านแรกเก็ต้องรู้ว่าใหญ่ัเป็นยังไงก่อนไปกินสิงหรงด้วเหรอไม่เคยมาเลยเหรอไปสิงหรงดาวแล้วบกนี พระภิกษเขาไม่ต้องการคนมีบุญพะกเขาต้องการคนมีจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นจะเอาบุญไปแติโตัวหเนี่ยเา้ทิ้งเลยนะเขาบอกว่าท้ง้ทยเอาไปดินของความสุขที่แท้จริงไม่ไมี่ไม่ไม่่ไม่ได้ม่ไม่ได้ม่่้มม่้ ทำ้ไม่จำกัดเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะเข้าสู่ารนิพานนี้บุญมากเดี๋ยวเอาไปไม่ได้ต้องทิ้เอาไปไม่ได้ไปศึกษาเรื่องจิตใจอยู่ที่ไหนอย่างไรมันถ้าจะพูดอีกมันก็เป็นการซ้ำซากตัวนี้จะเสง เข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยผมไมต้องการคนมีบุญนะนี่การถ้าอยู่ท่องเที่ยวอยู่ในมัดประจำเนี่ยบุญเหลือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกถ้าออกจากวัดแต่แตกไปนี่ก็คือมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นอ่าต่อไปต่อไป I t n k a t จากโควิดได้ที่ถายลงแล้วก็ทางอุปกรณ์ก็สามสารถให้เราจัดได้ป็นทีอันนั้นโดยท่ว่าทางอุปกรณ์ต้ทษการพวกกันนะคุณครับคุณครับไม่ แต่ๆๆว่ามันก็ออยังมีความผิดสุขออกไป้ล็กๆอะไรนรี่ค่ะจะต้องพิจรารณาการต่อหรือว่าจะเอากรรมฐานต่อไปนะคะพิจารณาเป็นครรมจะได้ไหมถ้ากรรมานไม่ได้ผมไม่ไปพิจรารณาเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างนะคุณพิจรารณาดิเรกตั้งแต่ของ จิตยังไม่เป็นสมาธินี่เขาก็เขาก็เรีเยกว่าอุบายเพื่อที่จะทําให้จิตไม่ออกไปนอกแต่เช่นบริกรรมพุโทโธบ้างดูลมหายใจบ้างกำหดเป็นความรู้สึกบ้างหรือบ้าจะนึกถึงตาใจไส้ภูมิพิจนารณาร่างกายเขาเพื่อที่จะไม่ให้เขาออกเหนื่อย้าร่างกายนั่นแหละนี่คือหนึ่งพิจนารณาร่างกายอีกระดับสองคือ หลังจากดิตเป็นสมาธิแล้วดิตไม่มีกระแสของความเป็นวิปัสสนาก็ให้พิจารณากายด้วยความนึกคิดเราพูดแลาหนังของวันเนี่ยเอาความคิดเอาพลังของความคิดเข้าไปสะกิดกระแสจิตเพื่อที่จะให้ดิตออกมาเป็นวิปัสสนาคือนึก นึกผมขนเล็บันหนังนื้อเอ้นึกอยู่เรื่อยๆจะนึกอะไรก็ไคิดไปคิดไปถ้าคิดอยู่ถ้าตัวหนุนจิตที่เป็นสมาธิเขาก็จะส่งกระแสออการะแตัวเนี้ยมันก็เป็นอารมณ์นี่แะแต่หนุนด้วยสมาธิเขาไม่ไดบอกว่าอารมณ์เขาเรียกว่าวิปัสสนา มันจะเป็นสองอย่างกิจการเนี่ยถ้ามันเป็นหนึ่งอยู่เฉยอยู่บางครั้งมีอารมณ์ฉุกคิดขึ้นกลางใจถ้าเรามีสติเราไม่ตอบสมมุติว่าเขาคิดเรื่องนั้นถ้าเราไม่ออไไตอบเขาก็ห ย, ยู่พุ่เลยหยุดพุ่งเขาก็สลดลงไปเห็นเห็นอะไรอย่า น, นี้นะ แต่ถาว่าเขาจะว่าข้างนกเรื่องข้งอกหรือเรื่องข้งนอกไม่ได้สูญเรื่อ ง, งื่องนอกเกิดขึ้นเราไม่ตอเขาก็ไปไม่ได้เมื่อเขาไปไม่ได้เขาเขาก็หมดตัวเข้ามาเราทำละะาแล้วแบบนี้นะแต่เรามไ้ยแก้งเขาเูดแบบนีู้ร เราต้ไปรู้สันทีว่าอ๋อเราต้องคิดเร่องนี้เราไม่ต่อให้เป็นเรื่องต่อไปพอเข้าใจไหมถ้ายๆอย่องเรานิทานให้เด็กฟังเราไปถึงขึ้นขึ้นท่อนแล้วก็หยุดเด็กมันก็ต่อไปได้แล้วทำไมเราต้องพิทาตอเงว่าอย่างนี้นะ แต่อารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่ต่อ เ, เขาก็ไปไม่ได้เขาหยุดคิดแล้วหดตัวเข้ามาหรือจะดับเลยเข้ามาเลย่็ได้แต่อสองอย่างใต้ป็ิใช้การปฏิสิทธิ์ดับเลยหยุดคิดเลยอยู่ตรงนี้เองก็ได้แต่ทีเนี้ยการอย่าเป็นสมาธที่ต้องเบาๆนะความรู้สึกกับ ความรู้สึกโดยที่ต้องเบามาถ้าไปเกิดอาการเพ่งจดจ่อตั้งใจจบเลยไม่เป็นเขาจะไม่เป็นตัวเด็ค่าถ้ามีอาการสออย่างสา อ, อย่างนี้ต้องทำให้เหมือนไม่รู้แต่รู้ทำให้เหมือนไม่เห็น เอียนตั้งใจนะมองสิ่งที่ใกล้และมองสิ่งเด่นเด่นนี่อดีตเรี่องเาจะรับผิชอบทั้งข้างในทั้นอกพร้องกันไดอย่างเมื่อไหร่แม้แต่วินาทีเดียวเพราะฉะนั้นมองควกคู่กันได้ไหมมองตามนี้แบบตาย แต่ในชั่วมตนน่ละฟังถ้าเขาปุ๊บปุ๊บป่างทีปุ๊บปุ๊บปุ๊ปปนี่มันจะเข้ามาแต่ถ้าเข้ามาปุ๊บบางค้าก็หยูดขึ้นด้วยความอยากรู้เราก็เข้ามาพลเราเข้ามาปุ๊บมองช้าๆสัหน่อยตัวนี้หยุดขึด้ ไปจะเป็นอย่างนี้แล้วไม่ตั้งใจอะรจะอเป็นสมาธิลงไปเลยเอาไว้ว่าโอ้แฟรอยนะอยากใมวันนีนที่เขาให้ขอบานระยาสปโเป็นอย่าง่ ท่านเทศบ า, าอ ง, งนะครับด้วยท่นานชากประสาทนะที่มาด้โดนะอรับคุณบท่านีทศบาลได้ถวายพระทนารตร ว, ว, ว, วันนี้นะครับไวยได้